พี่ท่านสาธารชนทั้งหลายการบรรยายประสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงมิปันลาดสูตรหรือเป็นประสูตรที่ว่าด้วยความรู้เห็นที่ไม่ยุติด้วยความจริงที่แท้จริงและถาทั้งหลายได้ติดตามข่าวคราวเมื่อวานก็จะเห็นนึสสัจธรรมอย่างหนึ่งที่ จะแสดงออกมาอย่างชัดเจนมากๆก็คือเรื่องของท่านสมาชิกสภาบุตแทนรัศดรในช่วงเช้าก็เป็นรัฐมนตรีต่อจากนั้นก็เป็นสอสอต่อจากนั้นก็เป็นสามัญชนมายความระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง เรเปลี่ยนแปลงได้ถึงสามครั้งเป็นการแสดงเห็นถึงสัจธรรมที่แน่นอนว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ตัวแม้จะรู้ว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่คนก็ยังดิ้นรนควงคว้าสแสวงหามีการต่อสู้เพื่อได้มาซึงสิ่งเหล่า น, นั้น จริงอันิจจังทางการเมืองค่อนข้างชัดกว่าเรื่องอื่นมากๆและมีข่าวคราวเราได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดวันนี้เป็นประธานาธิบดีพรุ่งนี้ถูกยิงตายแล้วพรุ่งนี้ถูกออกเป็นภาพของชีวิตที่แสดงแต่ปการน้อมนึกเข้ามาคิด หาประโยชน์จากความจริงเหล่านี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นวันสิ่งที่เราต่อสู้เพื่อได้มาเพื่อครอบครองเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นจึงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ของทนพระเจ้าทรงสแสดงถึงการแสวงหาของชาวโลกเอาไว้เป็นสองระดับระดับแรกเรียกว่า อนุญะปริเยศนาคือการไ่วยคว้าการแสวงหาการต่อสู้เพื่อได้มาเพื่อครอบครองสิ่งที่ไม่ประเสริฐอะไรโดยเนื้อหาสาระจริงๆก็หมายความว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราได้มาครอบครองไวจะมาตกอยู่ท่ามกลางของใจลักษณ์ การแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เปรเสด็แม้แต่การแสวงหาพบชาติที่ประดิตในความเป็นพบเป็นชาติแล้วก็ตกอยู่ในกฎของใจลักเช่นเดียวกันจะมีเีิงแพ้ยัางยืนเพราะแนวการปฏิบัติระดับสูงสุดจึงปฏิเสธแม้แต่พบชาติ พอพบชาติเหล่านั้นถึงจะประนีตขึ้นไปอย่างไรก็ตามแต่ก็เป็นสังคตะลักษณะคือเป็นลักษณะที่เสมอกันในสัตว์ในสังขารทั้งหลายที่ประกอบด้วยเหตุปัจจัยคือในที่สุดก็เปลี่ยนแปลกแตกตับไปเพราะแนวนี้จะแบ่งไว้เป็นสองระดับ อันดับหนึ่งก็คือแสวงหาที่ไม่ประเสริฐกันแหละแต่เป็นการแสวงหาที่เกิดขึ้นด้วยอกุศลทุจริตต่างๆมีโลภะมีโมหะมีราคะมีโมหะแล้วถ้าใครขัดขวางตัดรอนก็จะเกิดโทสะมีการรบตุสรายต่อสู้ทำลายล้างกัน แล้ถ้าได้ถ้ามีถ้าเป็นแล้วสิ่งเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดเป็นโศกะคือความโศกทึ่เราจะเห็นได้ว่าบางจุดมันก็เพิ่มกิเลสบางจุดมันก็เพิ่มทุกข์เช่นเมื่อเราเกิดโลภะเกิดราคะในเรื่องในเรื่องหนึ่งขึ้นมามีคนขัดขวางตัดรอนห้ามปรามหรือจะเกิดโทสะก็แสดงว่าจากกิเลสก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลส แต่บางจุดพอได้มาครอบครองเป็นเจ้าข้าเจ้าของแล้วสิ่งหน้นนั้นเปลี่ยนแปลงไปแตกดับไปทำลายไปก็เกิดเป็นความโศกคือเกิดเป็นความทุกขก์เป็นการสแสวงหาที่เพิ่มกิเลสและเพิ่มทุกข์เพิ่มปัญหาให้แก่ตัวเองสารพัดอีกอย่างหนึ่งก็คือการสแสวงหาที่ประนีตขึ้นไป ละความทิฏทางการสดงหาที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ควบคุมโลภะโทสะโมหะได้เจ้การมาเป็นบุญกุศลในระดับโลกิยะทั้งหลายที่เรียกว่าระดับวัฏกามีทั้งหลายผู้งายประการทำบุญทั้งหลายที่จริงเป็นการทำบุญเพื่อพบเพื่อชาติตปณิบตรงการปิดประตูนรก ต้องการได้อัตภาพที่ประนีขึ้นไปที่ท่านเรียกว่าตกแต่งภพชาติให้ประนีขึ้นซึ่งแนเหล่านี้ทรงสั่งสอนในรูปของบันไดคือให้ไต่ขึ้นไปได้ๆหมายความว่าที่จริงก็ลดทุกข์ลดกิเลส ล, ลดกิเลสลดทุกข์แต่สิ่งที่ได้มาครอบครองนั้นยังคงไม่เที่ยงแท้ จะอาจจะเปลี่ยนแปลงชั้าลงเกิดการปังเกิดในสวรรค์มันก็อายุยืนกว่าเกิดเป็นมนุษย์ในสวรรค์แต่ละชั้นมันก็อายุยืนยิ่งยิ่งยอดแตกต่างกันเกิดเป็นพรหมก็อายุก็ยืนกว่าเป็นนรูปพรหมก็ยิ่งยืนกว่าจะยืนยืนยังไงก็ตามถึงจุดหนึ่งมันก็คือแตกครับจากอรูปพรหมก็อาจจะมาบังเกิดในอบายก็ได้ ก็ยังมีกิเลสอยู่ระดับนี้้าเรียกว่าเป็นสัมปายิกัทถะคือเป็นการคำสอนระดับโลกียะแต่ว่าตัวแต่งพบชาติได้ประนิดขึ้นโลกีเลสเราจะละเขารวดเดียวนี่มันเป็นไปได้ยากมันทำได้ยากก็ทำยังไงให้กิเลสน้อยหน่อ ย, อยความทุกข์น้อยหน่อยความสุขเพิ่มขึ้น เหล่านี้แม้จะยังเป็นวัตตะแต่ก็ประนีขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความทุกข์ลดลงมีกิเลสลดลงนะกราวแนวหนึ่งที่เรียกว่าอริยประเยชนาคือกรอบของการแสวงหานั้นจะอยู่ในพิศทางของอริยมรรคหมายความอะไรก็ตามที่นอกไปจากอริยมรรคก็ไม่ต้องการ กิเลก็จางไปคลายไปบันเทาไปโดยลำดับจนเข้าสู่กระแสนี้ผ่านจะเรียกเป็นมรโสดาบันตรงนี้สิ่งที่เราแสวงหาจะเห็นว่ามันสิ่งเดียวกันนะคือถ้าเราลองดูศีลศีลนาห้าเนี่ยก็จะชัดว่าในจุดแรกเนี่ยมันมุ่งปรนปรือตัวเอง มุ่งตอบสนองความต้องการของตัวเองไม่คำหนึงบาปบุญคุณโทษอะไรเขาให้ได้เขอให้มีเขอให้เป็นก็แล้วกันหมายความมาใช้ทุกวิธีทางเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นทำบาปาบ้างทำบุญบ้างก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ได้สิ่งที่มีที่เป็นตัวความได้ความ ม, วา ม, ม, ามีความเป็นมันก็มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแตกดับเหมือนการต่อสู้กันทางการเมือง ในบางเรื่องนะไม่ใช่ทุกเรื่องโดยการต่อสู้ของชาวโลกทั้งหลายเราจะเห็นว่ามันก็อยู่ในแวดวงของขอ ง, ของกิเลสที่แรงบ้างไม่แรงบ้างคือคุมได้บ้างคุมไม่ได้บ้างบางเรื่องเป็นเรื่องของกุศลเจตนาซึ่งเราก็ต้องยอมมาเป็นกุศลเจตนาที่มุ่งใช้ศักยภาพของตนความสามารถของตน เห็นว่ามาอยู่ในจุดนั้นสามารถทําประโยชน์แก่สังคมแก่โลกได้ก็ควรขวายเพื่อได้สถานะตรงนั้นแต่จริงๆจุดมุ่งหมายก็เพื่อทํางานที่เป็นประโยชน์แก่โลกก็แสดงว่าบางกรณีก็เกิดขึ้นโดยเจตนาที่เป็นกุศลแม้สิ่งที่ได้มาจะไม่เชี่ยงแท้แน่นอนอะไรก็ตามในจุดนี้จะมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขา แล้วก็เป็นพวกเราพวกเขาจนถึงกับมีการต่อสู้เบียดเปลี่ยนกันพอถึงระดับหนึ่งนั้นเราก็มีเรากับพวกเราคือหมาความความรู้สึกจะประนีตขึ้นจะมองชีวิตทั้งหลายในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมโลกไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการปรตทุจรายกัน พอถึงจุดหนึ่งมันจะไม่มีทั้งเราทั้งเขาเห็นมามพระโสดา บ, บันท่านถอนสักกายะคือความเป็นตัวเป็นตนออกไปได้หมายความว่าในความรู้สึกนึกคิดของท่านก็ไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีเราไม่มีเขาแต่ประเด็นสํคาคัญว่าจะเกิดความรู้สึกเมตตากรุณาต่อคนได้ยังรู้สึกเป็นเราเป็นเขา พอ ม, มามองที่ตัวทรัพย์ซึ่งเป็นเหตุให้ละเมิดสินเราก็จะเห็นไดน้ชัดว่าทัศนคติของของคนกลุ่มนี้คนกลุ่มแรกก็ก็จะจะยื้อจะยื้อแ ย, ย่งทรัพย์กันจะต่อสู้เพื่อได้มาถึงทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้น mm hmm. ได้มาถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างแต่ควรบ้างไม่ควรบ้างรุนแรงบ้างไม่รุนแรงบ้างก็แล้วแต่โดยสรุปว่ามุ่งจะ ตอบสนองความต้องการของตนเอาทรัพน์นั้นมาตอบสนองความต้องการของตนพอมาถึงระดับที่สองเนที่จริงเมื่อก็คุมได้ก็ ท, ท, ท, ทั้งๆได้รู้ว่าทรัพน์นั้นเป็นของไม่ทแท้แน่นอนอะไรแต่ควบคุมในทิศทางการสแสวงหาปลดปลือตนเองแต่คำหนึ่งถึงบาปบุญคุณโทษเพราะทิศทางการสแสวงหาจะอยู่ในกรอบ ที่ไม่ละเมิดกฎหมายไม่ละเมิดศีลธรรมพอมาถึงระดับหนึ่งคนเหล่านี้ก็สามารถสลายสลายทรัพย์สมบัติของตัวเองเพราะเห็นว่ากันแน่ที่เรียกว่า บ, บุญยนิทีนะฮะซึ่งจะว่าเป็นแนวแนวความคิดที่เรียกว่า บ, บุญยนิทีที่จริงไอ้บุญยนิทีเอากันจริงมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน พอมันมเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปนะบุญกุศลมันก็หมดไปได้แต่ว่ามีผลยังยืนถาวรมากกวา่าติดตามต้นเราไปได้ในนี้จึงรูปเป็นรูปของการเสริมสร้างบา ร, รมีเห็นว่าชาที่ใช้ในปัจจุบันมันก็ใช้ได้ชาติเดียวก็เลยบริจาคบำเพ็ญเป็นบุญกุศลเพื่อจะเรียกว่าเป็นอนุามีนีคติตามตนไปได้ เรแสดงอย่างยึดติดนะในสิ่งเหล่านั้นอยู่แต่ว่าได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเพิ่มขึ้นพอถึงจุดหนึ่งจะไม่มีทรัพย์อะไรจะไม่มีคำว่าของเราอยู่ในความรู้สึกนิคิดของท่านเหล่านั้นปัจจัย 4, สี่ก็มีศักด์แต่ว่าจําเป็นจะต้องมีเพื่อบำบัดความต้องการของร่างกายไม่ใช่บําบัดความต้องการในด้านจิตใจ ทันจะเป็นจะต้องมีที่อยู่อาหารเครื่องโนงมขมและยาปบำบัดโรคซึ่งเกิดขึ้นกับร่างกายการบริโภคตันหาก็บริโภคแต่ไม่บริโภคอาหารก็ต้องบริโภคแต่ไม่บริโภคด้วยตันหาวันจึงไม่มองที่ความประณีตสวยงามความอรจฉอรอยิยะของเรื่องเนั้นเพราะท่านมองสิ่งเหล่านั้นเป็นรูปของอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเช่ตุลอะไร อย่างไงก็ได้นะฮะก็ไม่ยึดมัน่นถรือมัน่นจิตใจไม่ผูกไม่แฝบอหารจะประนีดไม่ประณีดที่อยู่ประณีดไม่ประณีดกิตใจก็ไม่ผูกไม่แฝบขึ้นคเราเห็นเป็นพัฒนาการทางจิตแล้วถ้ามองจากสีากา้อความอีกมันจะเห็นจะเห็นภาพอย่างนี้ว่ามันเดินไปเป็นเป็นเบนขั้นขั้นเหมือนกั น, นในชั้นแรกก็จะมีความสับสนมีความ บุญวายในเรื่องเพศมีปัญหาในเรื่องเไม่ได้คำนึงถึงอะไรเป็นอะไรอันนี้ก็แสดงถึงอาการของกิเลส ท, ที่ยังหยาบอยู่ระดับที่สองมันก็ควบคุมควบคุมรู้รับรองสิทธิของการรายการไม่ล่วงเกินกันก็เป็นระดับของศีพระดับที่หนึ่งนั้นมันก็เริ่มมองเห็นโทษแล้วก็งดเว้นอย่างน้อยก็รักษาศีนุบสถ าศาสนแปดมันเทากามาราคาทั้งหลายลงไปและจนถึงจนถึงจุดหนึ่งก็จะตัดขาดแต่เรื่องเหนี้ซึ่งก็เดินทางค่อนข้างไกลนะท่านจะเห็นว่าตรงนี้ค่อนค่อนข้างไกลคือต้องเดินทางไปจนถึงระดับของพระนาคามีแม้จะอยู่ในโลกแต่ว่าใจิตใจจะไม่เกี่ยวกเกาะด้วยอารมณน์นั้น พราะฉะนันพรมามองจุดนี้ก็จะเห็นได้ว่าฐานฐานในการศึกษาการปฏิบัติทั้งหมดไม่ว่าในเรื่องของระดับศีลสมาธิปัญญามันก็อยู่ที่ตัวชีวิตอยู่ที่ทรัพย์อยู่ที่เรื่องของคือหมายความว่าอยู่ในเรื่องศีลสีข้อแรกเป็นเรื่องใหญ่แต่มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนทั้งหมดไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ตัวเชิดตนไม่ใช่เราเชิเขาอะไร และท่านก็คงอยู่ในถ้ำกลางตรงนั้นเพียงแต่ว่าใจท่านไม่เกี่ยวเกาะกับเ ร, เรื่องนั้นนันก็แสดงว่าวิชาท่านลดลงวิชาท่านเพิ่มขึ้นจนถึงอวิชาหมดไปก็เหลือแต่อวิชาภายในใจแต่ถามว่ากระแสะโลกทำไมจึงยังมีปัญหาบุญไหวก็กระแสะโลกโดยปกติแล้วท่านถือว่า มีความเห็นที่วิปลาสวิปลาสก็คือไม่ตรงตามความเป็นจริงแต่ความเห็นเหล่านั้นจะมีอยู่สามระดับตามความเข้มข้นของความยึดมั่นหรือมั่นท่านี่้สัญญาวิปลาสจิตตะวิปลาสทิฏฐิวิปลาสสัญญาวิปลาสก็คือการจําหมายเอาไว้ว่าจําหมายไว้คาดเคลื่อน จะยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆมาแล้วก็ไปจำมาไว้อย่างนั้นไปท่องไว้อย่างนั้นแต่บันคลาดเคลื่อนแล้วก็นำปัญหาระดับต่างๆมาสู่ชีวิตของตัวเองแต่ว่ามันไม่ค่อยกินลึกเท่าไหร่อ่ะถ้าไปให้ข้อมูลใหม่ไปเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ท่านก็แก้ไขได้ไง่าย ดีดับหนึ่งเป็นจิตตะวิปลาาคือเป็นความคิดได้แก่อการสะสมตามกระบวนการของจิตที่ที่เคยเจออยู่บ่อยๆนะฮะหมายความว่าจิตรับรู้จิตจำจิตคิดก็แสดงว่าจิตสะสมสิ่งที่รับรู้ก็สะสมสิ่งที่จำเอาไว้แล้วก็นำมาคิดเป็นความคิดที่มีข้อมูลมากกว่าเดิมนะฮะการสะสมมากกว่าเดิม ก็ทมให้คิดวิปลาสความคิดี่คราดเคลื่อนจากเกตจากผลจากความเป็นจริงเรื้องดูง่ายๆอย่างเมื่อวานเนี่ยมีเปิดวิทยุรสฐานีหนึ่งไว้ตลอดทั้งวั น, นก็ลองฟังความคิดเห็นของคนหว่าแสดงความเห็นจะมีความรู้สึกที่เราเรียกว่าเป็นปฏิฆะคือไม่ชอบผู้แทนเก่า ต้องการจะเปลี่ยนพูดแฐานใหม่ซึ่งเมื่อที่จริงๆมันลืมปัญหาข้อเท็จจริงว่าสังคมนั้นเป็นไปไม่ได้นิ่งเปลี่ยนใหม่หมดมันไม่ได้ที่จริงใหม่นั้นจะเพิ่มเติมมาซึมแทนเก่าเท่านั้นเองแล้วเพิ่มเติมต้องน้อยนะเพิ่มเติมมากไม่ได้เหมือนระบบราชการใ น, นนี้ฮะโลกข้าราชการเก่าออกหมดออกข้าราชการใหม่เข้ามันก็จบสิ้นบ้านเมืองบรรลัยหมดเลยมันก็อยู่ไม่ได้ มันมันมันเป็นไปไม่ได้นะสังคมที่จริงตัวใหม่จะต้องซึมมาแทนตัวเก่าไปโดยลำรับเท่านั้นเองเพราะตัวเก่านั้นสะสมประสบการณ์มหาศาลเอาไว้สมมติเราคนคนแก่แกตายหมดนฮะเด็กรุ่นให ม, ม่ก็เสร็จอยู่ไม่ได้เลยไอ้นี่คือคื อ, ค, อคือแสดงว่าเราคิดเห็นโดยหน้าของอติเป็นโทสาคติไม่ชอบใครจะโคนจนึกจะกวาดล้างบางเลย อย่าลืมว่าประสบการณ์ของคนหล่อนนั้นอย่างที่มีความคิดจะหมายหนึ่งที่บอกว่าเอานักธุรกิจมาฆ่าจะฆ่าร้อยค น, นอะไรเนี่ยนะเราจะว่าฆ่าห้าคนชาติก็ล่มจมเท่านั้นเองนักธุรกิจตายทีเดียว500ห้าร้อยคนเสร็จบทบ้านเมืองก็ปนปี้หมดอยู่ไม่ได้มันเรื่องประสบการณ์เนี่ยมันมั น, ม, น, ม, นมันไม่ใช่เรื่องจะทำกันได้ง่ายๆมันต้องสะสมตลอดการยาวนานต้องเรียนรู้ต้องอยู่ภาคสนามตรงนั้น เราคิดด้วยอคติไม่ได้มันต้องคิดด้วยเหตุด้วยผลว่าธรรมชาติจริงๆเพิ่มมากไม่ได้สมมติโลกคนเพิ่มพรวดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าใครจะเลี้ยงดูคนแก่ตายหมดมันก็ไม่มีคนเลี้ยงดูนั่นคือสังคมจริงๆมันเพิ่มไม่ได้แต่ว่าเราความความคิดเราเกิดอคติขึ้นมาต้องการล้างบางไปเลยล้างบางไปเลยล้างบางมันก็เสร็จแล้สิเราจะเห็นว่าตามปกติธรรมชาติแล้วเนี่ย ผู้แทนในบ้านเรามันจะลดของเก่าลดประมาณ20เป็นมันก็เพิ่มใหม่ประมาณ 20% สเซสัดส่วนพอใช้ได้นะฮะถ้าเพิ่มมากกว่านั้นก็อาการหนักืันกันเพราะพวกพวกใหม่ไม่มีประสบการณ์ในภาคสนามนี่ก็คือก็คือการมองการมองปัญหาในแง่ที่ที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาต้องต้องมองด้วยเหตุด้วยผลนะทีนี้อีกระดับหนึ่งนั้นเป็นลักษณะปักใจฝังใจ ก็เรียกว่าตอกตรึงเอาเลยท่าเรียกว่าทิฏฐิวิปัราตคือความเห็นที่วิปริตคือคลาดเคลื่อนจากความจริงพวกนี้จะแก้ยากว่าแล้วเป็นการมองอะไรเป็นการมองสิ่งที่จริงก็คือเรื่องธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่เราก็มีปัญหากับธรรมดาเราไม่มีปัญหากับสิ่งไม่ใช่ธรรมดามีปัญหากับธรรมดาแต่นั้นเลยนั่นคือมองสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยง มองสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมองสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าแพรตัวใช่ตนแล้วมองสิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยงามซึ่งลอ ง, ส, งสังเกตว่าความคิดนี้ถ้าเป็นระดับทิฏฐิเนี่ยมันกลายเป็นลัทธิศาสนาไปเลยเห็นไหมว่าศาสนาที่เป็นเทว น, ยนิยมอย่างศาสนาพราหมณ์เนี่ยถือว่าพรหมันเนี่ยเป็นของเชื่องแท้แน่นอน เป็นที่มาของสปปรรพสิ่งเป็นที่มาของสปปรรพสาร ท, ทั้งหลายสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดจากพรหมแล้วก็พรหมบรรดาลเพราะฉะนั้นเมื่อคนเข้าไปอยู่รวมกับพรหมก็จะกลายเป็นของเทียงแท้แน่นอนและเรามองดูแบบชีวิตนิรันดรในศาสนาทั้งหลายนะฮะคือเข้าไปรวมกับสิ่งสูงสุดในศาสนาเหล่านั้นก็ถือว่าเทียงแท้ก็แสดงว่าถ้าเป็นจุดนี้แล้วกลายเป็นลัฐที่ศาสนาต่อสู้กันแรงมากและแก้ไขไม่ได้เลย มันเป็นปัญหาภูเขานะฮะเป็นปัญหาใหญ่มากๆถ้าเราสาวลึกๆเนี่ยทําไมจึงมองอย่างนั้นก็มั น, ม, นมันก็สืบเนื่องมาจากอัตตาอัตตาตัวตนของเราที่เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเป็นตนรู้สึกเป็นตัวเป็นตนตแล้วก็หลวงตัวหลวงตนบางทีเราจะเห็นว่าไม้จะสมมติซอนสมมติซอนซอนซอนซอนกันไปเรื่อยแล้วเราก็ยึดติดในความเป็นเรานั้น มุ่งหมายที่จะให้ความเป็นเหล่านั้นยั่งยืนหรือถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั้นก็กลายเป็นความคิดสองกระแสที่เราเรียกว่าโลกเชี่ยงกับโลกไม่เชี่ยงมาความกระแสโลกเชี่ยงนั้นเป็นชีวิตตัวเองก็เกิดยั่งยืนไม่แปรผันแล้วก็จริงก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่เพราะเราก็แก่ทุกวันในสุดมันก็ไปเกาะสิ่งสูงสุด ไปเกาะพระเจ้าไปเกาะพระพรหมไปเกาะอะไรก็ไม่รู้แหละจริง่งสิ่งที่ที่มาของสรรพสิ่งคับ น, นั้นก็คือกลายเป็นเป็นเป็นเรียกเรียกเขาเรียกว่า ส, ถสถาัตสติจิตคือความเห็นว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็ถือว่าเราเองก็เที่ยงแท้แน่นอนเราก็ย่อยมันจากสิ่งเหล่านั้นท้านลองสังเกตว่าไม่ได้คอยชายเหตุผลเท่าไหร่ะ หมายความยังไงหมายความว <pen 't. S 2> ่าถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นที่มาของเราคือเรามาจากสิ่งเหล่านั้นแต่จะถือว่าสิ่งเหล่านั้นเที่ยงแท้เที่ยงแท้แล้วทําไมเกิดเปลี่ยนแปลงไอเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านั้นทำไมจึงเปลี่ยนแปลงคือเขาไม่ได้ตั้งคําถามเขาไม่ได้คิดอะไรไม่ไดตั้งคําถามต่อไปว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นเที่ยงแท้เราเป็นส่วนหนึ่งของสิ <rempl>. ่งเที่ยงแท้แล้วทําไมเราจึงเปลี่ยนแปลงเราต้องย่อยมาจากสิ่งเหล่านั้นเมื่อเรากลับไปสู่สิ่งเรา เหล่านั้นแล้วจะอยู่ยั่งยืนท่าอ่อนได้ยังไงในเมื่อคราวก่อนเราก็เปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าถ้ากลับไปจริงไม่ต้องกลับมาอีกแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นความขวัญใจในแนวชิด ท, ทิแล้วเขาก็ไม่ยอมคิดแต่ตรงนี้และในที่สุดเราจะเห็นว่าลทัทธิบางลทัทธิจึงห้ามวิจารณ์ห้ามวิจารณ์ห้ามห้ามวิภาควิจารณ์สิ่งสูงสุดถือว่าเป็นบาปจะถูกถู ก, ถกสาบจากสิ่งสูงสุ ด, สดตัว น, นั้น แล้วก็เกิดมาจากอะไรว่าตัวการใหญ่ จ, จริงๆก็คือเกิดมจากสัตตตทิฏฐิคือความเห็นว่าเทียงแท้แน่นอนเป็นปัญหาถาวรที่มีอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะฮะมายความว่าในจิตใจของมนุษย์มันก็มีอยู่สองกระแสจิโเราพูดถึงวัตถุนิยมจิตตนิยมในปัจจุบันที่จริงมันก็มีมาตั้งแต่โบราณนะที่พระเจ้าทรงสแสดงมาตั้งแต่ปฐมเทศนาแล้วแนวที่ถือว่าเทียงแท้แน่นอนเนี่ยก็คือแนวของจิตตนิยม หมายความมาถือว่าจิตเป็นของที่เที่ยงแท้ไม่มีความแปรผันนั้นทั้งที่เราเห็นว่าจิตเราแปรผันวันวันวกล้านครั้งนะฮะเราก็เห็นว่ามันแปรผันมันไม่คงที่อะไรเลยแต่กาจริงเราก็ไปยึดมั่นถือมาในตรงนี้ทีนี้พอจิตมันไปยึดตรงนี้มันก็ไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่จริงๆลึกๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดต่อนะฮะ ความรู้สึกอย่างนั้นที่ยริงมันต้องเกิดจากราคะก็เกิดจากโลภะเท่านั้นเองถ้าสิ่งที่เราไม่ชอบในเราไม่ต้องการในมันเที่ยงแท้เราต้องการให้ทําลายไปเราต้องการให้แตกไปต้องการในหายไปต้องการในศูนย์ไปแต่นั้นความรู้สึกของคนจึงตดจึงขัดแย้งกันเองในความรู้สึกนงทั้งที่เราต้องการในสิ่งทั้งหลายเที่ยงแท้เอาก็จริงก็เฉพาะที่เราชอบเท่านั้นเอง ต้องการจะให้อยู่กับเรายั่งยืนเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งที่เราไม่ชอบเราต้องการนายพินาตไปตอนนั้นในตรงนี้จึงเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าสิ่งใดที่เที่ยงแท้สิ่งใดที่เราชอบเราก็ขอให้เที่ยงแท้สิ่งใดที่เราไม่ชอบเราก็ขอให้สิ่งนั้นพิพนาตไปพิบัติไปมันก็เกิดอะไรเกิดหลงตัวเองคล้ายๆกับเราจะประกาศิทธิอะไรได้อะไรจะเราสั่งได้นะเอาก็จริงมันมันเรา เราสั่งอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นมนุษย์จึงประสบ ค, ความทุกข์ที่เราเรียกว่าต้องการอะไรไม่ได้ตามต้องการเช่นต้องการในสิ่งที่เราไม่ชอบพิบัติไปเมื่อก็ไม่เป็นไปตามหรัที่ต้องการเราก็ทุกข์เราต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นสิ่งที่เราชอบเมื่อไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็ทุกข์ทั้งหมดจึงเป็นการหลงทางในข้อที่ว่าเรามองสิ่งทั้งหลายว่ามันชีแท้แน่นอน เพราะนตรงตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไว้เราจะเห็นว่าตั้งแต่ตั้งแต่ ธ, ธรรมทิศนากันที่สองเลยเพื่อจะให้คนได้ถ่ายถอนตรงนี้ออกไปว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเกินไปภาพตรงนี้เราต้องชื่นชมนะการเมืองนะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะหมดกลายเป็นสามัญชนปุ๊บก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ดีอกดีใจนะฉะลองกันเลยบางคนเนี่ยนะ แต่ว่าตรงนี้แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าก็าจะสัจธรรมก็จะสัจธรรมวความเป็นตรงนี้เป็นของไม่เที่ยงแต่แน่นอนและที่สําคัญอย่างยิ่งคือการเตรีย ม, ยมใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเป็นบทเรียนได้ดีมากนะฮะเป็นบทเรียนได้อย่างดีว่าท่านเหล่านี้เขาเตรียมใจได้เรียกว่าทําใจได้หมายความมารู้ว่าสถานะตรงนี้มายืนตรงนี้แล้วต้องเตรียมรับความแปรผันทุกลักษณะ เป็นอะไรก็ไม่รู้ติดคุกติดตารางว่าไปได้ทั้งหมดเพราะันพอประสบกับความเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วนะจากรัฐมนตรีเป็นสามัญชนเพียงไม่ถึงเจ็ดชั่วโมงนะจากเช้าถึงถึงบ่ายโมงนี่ไ ม, ไม่ไม่ถึงเจ็ดชั่วโมงเ่นะเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มายดีอกดีใจเฉลิมฉลองกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้หยุดการไขวยคว้า หลองแสรก็เตรียมตัวสมัครต่อมาความมาไขว้แควาสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นต่อแต่ที่เราควรมองก็คือว่าการเตรียมใจเป็นเรื่องใหญ่มากเว่าท่านเหล่านี้นท่านท่านนั้นเตรียมใจกันไว้ได้ไม่มีใครเศร้าโศกเสียใจไม่มีใครแสดงความคับแค้นนะนะฮะว่าที่มายุบทําไมจะต้องมายุบทําไมไม่ให้เราเป็นอะไรเนี่ยก็แสดงว่าเขาก็เก่งมาก ลักษณะเหล่านี้มันก็เหมือนกับอะไรเหมือนคนที่เขแสดงละครอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเ้ายอมรับว่า น, นั้นคือการแสดงก็ทํำใจได้ตลอดแสดงได้ตลอดแล้วก็บททะเลาะก็ทะเลาะกันจริงเพื่อนรักกันยังไงก็ตบตีชกต่อยกันนะแสดงให้เห็นอารมณ์ต่างๆออกมาแล้วเสร็จแล้วก็จบนี่คือคือชีวิตจริงๆมันจะอยู่ในเงื่อนไขของการสมมติแต่เนื่องจากเราไม่คยยอมรับสมมติ เราไปเข้าใจว่าความเป็นตรงนั้นมันเชื่องแท้ไม่แปรผันแต่ลเลอกๆจริงเราต้องการให้แปร BE ผนันแน่น่ะครับหมายความว่าสิ่งที่เราชอบเราต้องการให้มันมันเพิ่มขึ้นสิ่งที่เราไม่ชอบเราต้องการให้เปลี่ยนแปลงไปก็แสดงว่าจริงๆแล้วเราต้องการความเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าเราใช้ความรู้สึกของเ ร, เราใช้ความรู้สึกของเราเป็นตัวกําหนดความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยลืมไม่ว่าจริงๆแลกก้วเรากาหนดอะไรไม่ได้ดังนั้นแนวการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดก็คือต้องการจะรลดละตรงนี้ต้องการจะถ่ายถอนบรรเทาตรงนี้เรื่องเรื่องความวิปลาสทั้ง4ี่ประการนะนะที่จริงถ้าพูด ถ, ถ้าพูดโดยรวมว่าผลสูงสุดในพุทธศาสนาก็คือไม่วิปลาสในสี่เรื่องเดินี้หมายความพัฒนาจิตจนไม่วิปลาส ถาศตใดที่ยังวิปลาสอยู่ยังไปยึดมัน่นถือมั่นอะไรสักอย่างหนึ่งสักแม้สักอย่างนะฮะแม้สักอย่างเดียวก็ยังถือว่าไม่เข้าถึงธรรมะทางศาสนาอย่างแท้จริงยังไม่สามารถปร่งให้ตกในอารมณ์ทั้งหลายได้ปัญหาสําคัญว่าการมองให้เห็นไม่เที่ยงนะั่งมองอยังไงในพระบาลีท่านท่านว่าไปเยอะนะบางทีถึงยี่สิบกระแหง ย0สบกวาอย่างนะแต่ว่าโดยทั่วไปนั้นท่านจะวางไว้เป็นหลักสี่ประการประการแรกคือสิ่งอะไรก็ตามเราคิดจากอะไรก็ได้นะที่าจริงคิดจากอะไรก็ได้พราสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอาจจะดูหยาดน้ำอาจจะดูฟองน้ำอาจจะดูตอมน้ำ อาจจะดูน้ําค้างบนใบไม้อาจจะดูพยับแดดอาจจะดูแสงแดดอาจจะดูฝนต ก, กแดดออกอะไรก็ได้อาจจะลูกินข้าวแล้วอิ่มอิมแล้วหิวก็ได้อะไรก็ได้นะอาบน้ำสบายสบายแล้วก็เริ่มไม่สบายเริ่มเหนียวตัวแล้วก็เริ่มอาบต่อเนี่ยคือเราจะเห็นว่าสิ่งน่ารักนั้นมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปความสบายนั้นมาจากความไม่สบาย ความมาเริ่มไม่สบายมาก่อน้วเสร็จแล้วก็สบายจากความไม่สบายก็ไปสู่ความจากความสบายก็ไปสูคนนคคส่ความไม่สบายมันจะหมุนวนอย่างวางความความสบายกับความไม่สบายแล้วจะขึ้นๆลงๆเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามมันไม่คงที่มันมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเป็นแปลงอยู่ทุกขณะลักษณะเหล่านี้ การที่เคยยกตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเรารู้นะฮะเรารู้เราเข้าใจแต่เราก็ยังยึดอยู่การพูดประโยช์สั้นๆว่ารีบกินเนี่ยอาหารจะเย็นนั้นแสดงว่าเรารู้ว่าความร้อนมันเปลี่ยนแปลงเป็นของไม่เที่ยงแท้อะไรถ้าเย็นแล้วจะไม่อร่อยอารีบกินแทบเะยจะละลายของบางอย่างของเย็นเราก็รีบไปกินตอนเย็นของร้อนเราก็รีบไปกินตอนร้อน แสดงว่าความร้อนความเย็นนั้นตกอยู่ในกฎของอ น, นิกจตาคือความไม่เที่ยงแทค่แต่ว่าทำไมเราจึงไม่สามารถบันเทาความความรู้สึกได้ความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปได้ก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันมีกระบวนการที่เลื่อนไหลต่อกันไปเรื่อย เราจึงไม่รู้สึกอะไรแรงๆนะเราจึงไม่รู้สึกอะไรแรงๆเพราะว่ามันก็ไหลาตามมาเรื่อยๆคล้ายๆกับชีวิตเราที่จริงมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะแต่ก็มีส่วนเสริมมาตลอดลทําให้ชีวิตเราดํารงอยู่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดดับอย่างต่อเนื่องคล้ายๆกระแสะไฟกระแสะน้ำเกิดดับอย่างต่อเนื่องอย่างที่ท่านบอกไว้ว่าคนเราไม่สามารถกระโดดลงไปในกระแสะน้ําได้เป็นครั้งที่สอง นั่นคือปรัช ญ, ญาเลยนะฮะเป็นสัจจะของชีวิตที่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้คิดนะฮะพุทธเจ้ า, าพระพุทธศาสนาแสดงว่าการตัดสานติปฏิการลังสิ่งที่เราทําแล้วจะทําคืนอีกไม่ได้ให้เราสังเกตวนั่นคือมองชีวิตเป็นขณะที่มันต่อกันสมมุติว่าเราเราพูดประโยคหนึ่งไปแล้วเนะะี่ะเราจะพูดใหม่เนี่ยพูดไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลามั น, ม, นมันผ่านไปเลยผ่านเลยไปแล้ว ชีวิตเราก็แก่ไปกี่นาทีสองสามนาทีแล้วนคนฟังเองก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะงั้นมันมั น, ม, นมันเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยเป็นการมองชีวิตว่ามีการไหลที่ไม่หยุดนิ่งกระแสน้าก็เหมือนกันสมมติเราจะกระโดดอีกกี่ครั้งนะฮะในจริงๆแล้วคนละเรื่องเนลยน้ำที่เรากระทบก็ไม่ใช่น้ำเดิมเวลาก็ไม่ใช่เวลาเดิมชีวิตเราก็แก่ไปแล้ว ชีวิตเราก็ไหลาตามไปเพราะงั้นทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยสามอย่างเนี่ยเราไม่ได้กับท่านจึงบอกว่าคนเราไม่ไม่สามารถกระโดดลงไปในกระแสน้ำได้เป็นครั้งที่สองแล้วก็จริงๆแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้สิ่งที่เที่ยงแท้ก็คือความไม่เที่ยงแท้นั่นเองแล้วก็ชีวิตเรา ท, ที่แน่นอนที่สุดก็คือตายนะฮะอย่างอย่างที่เคยบอกเอาไว้ว่า คุณรัิดาคนหนึ่งที่ท่านเจริญมีปัสนากรรมาฐานมาไอ้มนัะสติมาสมปีแล้วก็เข้าใจชีวิตว่าคนเราในก่อนจะมาโลกนี้ไม่รู้มาจากไหนแล้วก็ไม่รู้จะตายแล้วจะไปที่ไหนจะไปเกิดที่ไหนจะไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่แต่ว่าที่รู้แน่นอนคือตายแน่เห็นไหมว่าสี่เรื่องเราตอบได้เพียงเรื่องเดียวตั้งเองว่าเราตายแน่แต่ตายเมื่อไหรเราก็ไม่รู้ตายที่ไหนตายอย่างไงเราก็ไม่รู้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ ท่านจึงบอกว่าชีวิตนั้นเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายนั้นเป็นของเที่ยงหมายความว่าคนเราทุกคนเกิดมาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่ารายละเอียดเราก็คงไม่รู้อยู่อยู่นั่นเองสิ่งตรงนี้ที่มันเกิดมีปัญหาก็เพราะอาการเลื่อนไหลาถามว่าทำไมท่านจึงสอนให้มองตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องวิปัสสนาอย่างเดียวนะฮะที่จริงแล้วเป็นเรื่องของวิถีชีวิต เราจะเห็นได้ชัดว่าในปัจจุบันเรื่องเวลาเนี่ยสำคัญมากว่าการใช้การเวลาที่มาถึงข้าวให้เกิดประโยชน์ที่สุดอย่างคล้ายๆกับอะไรตลาดหุ้นเนี่ยในหุ้นเนี่ยค่อนข้างชัดนะฮะเรื่องหุ้นนี่มันไปสัมพันธ์กับเวลามากถ้าไม่ทันการช้าไปเพียงนาทีสองนาทีก็เสร็จแล้วเอาไม่ทันแล้วก็เรียกอะไรช้อนไม่ทันช้อนหุ้นไม่ทันอะไรเนี่ยคือคือคือสรุปว่าพวกนี้จะต้องอยู่หน้าจอตลอดระยะเวลา เป็นการใช้เวลาสัมพันธ์สัมพันธ์กับสถานการณ์ตรงนั้นเขาเรียกว่าฉกฉวยโอกาสใช้การเวลาที่มาถึงข้าวให้เกิดประโยชน์เพราะเรามองสิ่งทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะงั้นจะทำให้รีบเร่งใช้การเวลาในแต่ละขนาของชีวิตเนี่ยเพราะยังไงยังไงเราก็ต้องแก่เวลาที่มาถึงข้าวมันก็เปลี่ยนแปลงไปเราก็เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่กุศลและเจตนา ให้ลองสังเกตว่าการมองไตรลักณ์ในจุดนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะไปมรรคผลนิพพานแม้แต่จิตใจเราเนี่ยไม่เที่ยงยังกุศลและเจตนาเกิดขึ้นจะทําความดีอย่างนั้นอย่างนี้พอเกิดขึ้นตรงนี้ทำอะ่ะถ้าไม่ทําทําไม่ได้เพราะว่าความเห็นมันเปลี่ยนแล้วความคิดมันเปลี่ยนแล้วท่านลองสังเกตว่ามีเยอะที่เราคิดจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วรอก่อนเดี๋ยวก่อนเอก็บไว้ก่อนมันทีก็ทําไม่ได้เลย ถ้าลองจดไว้ในเดอรี่นะฮะว่าความคิดที่เกิดจะทําความดีเนี่ยมันมีวันังกี่ครั้งแล้วลองดูเราทําได้สต่กี่ครั้งมีเยอะแด่เราทําไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการสละบริจาคเพราะเลยเพราะมันมีโลภะบังเกิดขึ้นภายในใจจะเหนี่ยวรั้งใจเอาไว้พระเจ้าทรงสอนว่าเมื่อ จาฆ่าเจตนาคือเจตนาที่จะบริจาคบังเกิดขึ้นนั้นให้รีบทําในขณะนั้นทําด่วนๆทาเร็วๆทาให้ ท, ทันทีเลยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมัดเฉล จ, จิตคือจิตที่ตณีนี่จิตจิตที่หวงจิตจิตเสียดายมันจะเกิดขึ้นครอบงำอย่าเลยนะสะตางไม่ค่อยมีประเดี๋ยวจะไม่พอจ่ายถึงปลายเดือนก็งวงว่าเรื่อยนะะเริษัทํ า, าทไม่ได้นี่ก็คือลักษณะของการมองใจรักเพื่อจะให้ใช้เวลาชีวิตสัมพันธ์กับ การเวลาแต่ละขณะไม่ได้ปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปไม่ใช่มองเฉพาะเรื่องนิพพานอย่างเดียวนะเพราะว่าจริงๆแล้วที่เรียกว่าสามัญลักษณะหมายความว่าเหมือนกันในทุกเรื่องจะได้ทรงสอนว่าเวลาจะผ่านพ้นท่านทั้งหลายไปเพราะคนที่ปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปนั้นจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการภายหลังอันนั้นก็คือหมายความว่าเวลาคุณจะเรียนไม่ได้เรียนทํางานไม่ได้ทํางานอะไรแต่ประพฤติปฏิบัติไม่ได้ประพฤติปฏิบัติ แล้วในที่สุดพอถึงคราวจะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นมันก็ใช้ไม่ได้ในสุดมันก็นอนทอดถอนใจเสียดายการเวลาที่ผ่านพ้นไปไตรลักษจึงจึงจึงไม่ใช่เรื่องนิพพานนะที่จริงคือเรื่องชีวิตเรื่องชีวิตที่ให้มองริงทั้งหลายด้วยความไม่ประมาทอย่าคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างโน้นมันมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่ไม่มีอะไรจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไป แล้วจะทําให้มีสติรู้เท่าทันคล้ายๆกับนักการเมืองเมื่อวานเนี่ยนะโดยเห็น ว, ว่าเป็นก็เป็นนะครกลางคืนก็บรรลือเสียนาฏลัตนอย่างนี้พอตกลางวันก็ออกกระจัดกระจายกันไปแต่ทุกคนรู้อยู่ทุกขณะก็ติดตามสถานการณ์เขารู้อยู่ทุกขณะว่าต่อไปจะเป็นยังไงสถานการณ์จะเป็นยังไงเตรียมไว้บางคนก็เตรียมไว้ตั้งนานแล้วก็ทําให้เกิดความพร้อมที่จะ ทำงานตามหน้าที่อของตนต่อไปโดยไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรเงินทองบุคคลอันแต่อะก็เตรียมไว้พร้อมลักษณะการเตรียมพร้อมการเตรียมพร้อมที่จะดํารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราจะเห็นว่าการที่คนเราประมาเทเนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้มองว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยังเมื่อเชา้ามีข่าวเล็กๆที่บอกว่าเด็กวัยรุ่นเราเนี่ย ตายไปมากก็เพราะว่าประมาทในการใช้ยานพานะหมายถึงฉันแน่นะสิ่งอุตลุดไปเลยมันไม่แน่นะมันไม่แน่มันจะเกิดอะไรขึ้นมา ก, ก็ได้แลเราเราจะเห็นว่าถ้าเราดูตัวเลขตรงนี้เด็กรุ่นหนุ่มรุ่นหนุ่มจะมากกว่ารุ่นสาวที่ตายไปเยอะเลยตายกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันอาจจะถึงยุคหนึ่งซึ่งซึ่งก็คงจะอีกสักสิบกว่าปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าคนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยมันจะหายไปเยอะ จะอยู่ในหน่วยงานต่างๆนี่ลดน้อยลงไปเพราะว่ามอเตอร์ไซค์กินจะมั่งโรคเอดส์กินจะมั่งอะไรแต่ไเนี่ยนะนั้นก็ก็คืออะไรก็คือว่าเป็นชีวิตที่ประมาทการมองในแนวว่าสิ่งทั้งหลายไม่เชื่อแทน้แน่นอนเป็นการมองอย่างตื่นตัวรู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายนะนานมาแล้วหลายปีมาแล้วที่เคยเล่าให้ฟงมันมีข่าวเล็กๆนะฮะแต่วาเรามองเห็นธรรมะอย่างหนึ่ง มีครูที่อำเภอทุ่งสงครูใหญ่แกรับเงินเดือนรับเงินเดือนก็เงินเดือนทั้งโรงเรียนน่ะนะฮะเพื่อจะไปจ่ายแกครูแล้วก็พกปืนเอาไว้ข้างหลังแต่ว่าคิดเตรียมนะฮะนี่ถ้าโจนปล้นนี่ยจะทำยังไงตัวเองก็โผล่คนเดียวเดินอยู่ในป่าด้วยแกก็คิดวางแผนไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งโจนปล้นจริงๆเลยมาสองคนคนหนึ่งถือปืน พนหนึ่งถือขวานก็ขู่แกบอกไม่ต้องขู่น้องจะเอาอะไรก็เอาไปเลยเอาเลยไปเลยนายกาก็ปวดให้ปากกาก็าให้สตางค์ก็ให้ให้หมดเสร็จ แ, แล้วแกก็บอกว่าเนี่ยน้องสตางค์นี้ไม่ใช่ของพี่นะเงินเดือนของครูนะแล้วพี่จะไปอ้างว่าถูกโจรปล้น่เป็นไปไม่ได้ไม่มีร่องรอยของการถูกโจรเลยเพราะงั้นน้องฆ่าพี่จ้ตายตนะตะ ไม่ต้องไปแก้ตัวลำบากเพราะไอ้โจนมันก็มันก็ใจมันก็อ่อนมันก็ใข้ดังนั้นเนี่ยนะมันก็ก็ไม่ทําอะไรต่อรองกันไปต่อรองกันมาบอกยิงแขนเสื้อให้ขาดก่อนมีกระสุนอยู่กี่นัดยิงให้หมดเลยโจนก็เอาเปียงเปียงเปียงอะมันมันบอกก่อนบอกบอมีอยู่สานัดมันกดบดตั้งสามนัดเลยกดบดทั้งสามนัดก็ดึงแขนเสื้อยิงแขนเสื้อช่วยๆแขนเสื้อมันขาดไปเด็กก็ดึงปืนข้างหลังมาจับได้ทั้งคู่เลย เันนี้คือลักษณะเราจะเห็นว่าชีวิตที่มันเตรียมพร้อมอยู่ตลอดแต่ย่าแถ้าเป็นอย่างนั้นทําอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นทําอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่ได้เตรียมไว้เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะมันจะถือว่าฉันปลอดภัยแล้วไม่มีใครกล้าพ่นอ่ะฉันเป็นครูใหญ่อย่างนี้มันไม่ได้แต่ว่าเตรียมไว้ถ้าเป็นอย่างนั้นคือมันเตรียมไว้หลายๆเรื่องแผนหนึ่งแผนสองแผนสามแผนสี่อ่ก็มีหลายๆแผนแล้วก็ในที่สุดมันก็คงไม่เกิดกี่แผนนะฮะโจยมคงคิดไม่เกิดกี่แผน นั้นก็คือลักษณะของการเตรียมพร้อมมองอะไรมองในแง่ของความไม่เที่ยงเพราะสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงอย่าไปคาดหวังไว้ต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องผลอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะมองได้ว่ามุงหลายแนวตามปกติท่านท่านทัน้งหลายจะเห็นว่าที่เรามีปัญหาคือเรามองแนวสูงเกินไป นะเช่นทวารการเรียนเราไม่เจริญก้าวหน้าเราไม่เป็นด็อกเตอร์น้อยใจที่ไม่ได้เป็นด็อกเตอร์คนไม่เป็นด็อกเตอร์เยอะไปนะถ้าเรามองข้างล่างด้วยนะมองให้รอบตัวแล้วเราจะเห็นว่าเราไม่ได้อ่อนด้อยอะไรนักหนาเราไม่ได้ตกต่ำเสื่อมซามอะไรนักหนาก็พูดถึงต่ำก็มีคนต่ำกว่าเราพูดถึงสูงก็มีคนสูงกว่าเราพูดนะถึงสเสบอือกันมันก็มีเยอะแยะ ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือไม่เกิดลักษณะของอติมานะคือดูหมิ่นตัวเองซ้ําเติมตัวเองแล้วก็เสร็จแล้วก็ดื่มเหล้าเมายาอย่างไรก็ไม่เอาดีไม่ได้แล้วก็ซ้ําเติมตัวเองอันนี้เราเห็นว่าเป็นการมองมุมเดียที่ที่จริงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามันไม่ใช่ทิศเดียวมันมั น, ม, นมันมีทุกทิศจะให้เกิดการมองเทียบเคียงและจะไม่ไปยึดในตัวตรงในตรงหนึ่งเอาไว้ ในขณะเดียวกันก็มองสูงไว้ด้วยว่าคนอื่นก็มีความเจริญก้าวหน้าเขาประสบความสมําเร็จเพราะฉนั้นเราโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าประสบความสาเร็จก็มีก็พยายามที่จะปฏิบัติพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆมันก็ได้ทางในการดำเนิน อ, อย่างคนที่ที่มองปัญหาอย่างที่ที่เคยเล่าถึงถึงพระพระปุณณะนะฮะที่ที่ไปเมืองสุนาปันตะนั้นคือตัวอย่างเห็นว่า เวลาประสบความทุกข์เนี่ยมันก็มีคนที่ทุกข์มากยิ่งกว่านั้นเวลาประสบอันตรายแล้วก็มีคนประสบอันตรายยิ่งกว่านั้นทําให้ไม่ได้ไปยึดติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งจนกลายเป็นความวิตกกังวลและจนกลายเป็นอาการยึดมัน่นถือมั่นแล้วก็มีปัญหาเราจะเห็นว่าการมองแนวใดแนวหนึ่งเนี่ยนะมันมีปัญหาเพราะสิ่งต่างนั้นมันไม่ได้เป็นแนวตรงนั้นมีคนบางคน อีสามีพัญญารักให้กันมากพกฝ่ายหนึ่งตายเนี่ยตัวเองช็อกเลยแล้วก็เสียสติสตังค์ไปเลยคนหนึ่งก็ตายคนหนึ่งก็เสียสตินั้นพราอะไรเพรมองว่าจะต้องอยู่กันตลอดไปซึ่งมันซึ่มันเป็ น, เ ป, นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมีคนเยอะนะคนที่คุ้ น, นกั น, ก, นก็มีบางคนอย่างเวลาเวลานี้นะอย่างอย่างอย่างอย่างไม่ค่อยเรียบร้อยเลยแล้วมีตายไปตั้งสามสิบกว่าปีแล้วนะอย่างยังไม่ปกติเลย นี้ก็คืออะไรก็คือว่าไปตักไปปักใจไปฝังใจว่าต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งมันไม่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะนี่ก็คือก็คือความคิดวิปลาสมันทําให้พฤติกรรมต่างๆเนี่ยขาดเหตุผลในการดํารงชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่สามารถปราบจิตใจได้อั้นตัวอย่างทางการเมืองเมื่อวานยังเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งในแง่ของการเข้าถึงธรรมะ เขาถึงปรัชญาของชีวิตว่าชีวิตมันเป็นอย่างเนี้ยชีวิตมันก็เป็นเข้ามาอย่างเนี้แล้วจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่บางชีเลือกตั้งมาแล้วเราจะเห็นตอนสามห้ายิ่งชัดเจนมากเลือกมาได้สี่ิบแปดวันนั่นเองเลือกตั้งมานสี่สิบกว่าวันเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่แล้วก็เอากันะแล้วก็ไม่ได้ทอ้ทอถอยไม่ได้หวัดไหวอะไรแต่อะไเลยนั่นคือตัวอย่างตัวอย่างของการสู้ชีวิตนะฮะตัวอย่างของการสู้ชีวิต ที่ไม่ยอมสยบไม่ยอมสยบต่อความเปลี่ยนแปลงต่อโชคชะตาทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่หวาดหวัน่นนะไม่หวาดหวั่นต่อต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามฉกฉวยโอกาสในขณะที่เรียวแรงความเพียรพยายามสติตสัมปชัญญะของตัวเองยังมีอยู่ก็เพียรพยายามกระทาไป่มามๆยังชมก็มากนะฮะมองในแง่นี้เรามองในแง่กันธรรมะเลยเราจะเห็นได้ชัด เห็นได้ชัดว่าคนที่มาอยู่ในจุดนี้ที่จริงแล้วเนี่ยน่าสรรเสริญเขานะฮะในด้านในด้านการทําใจอย่างน้อยที่สุดในด้านการทําใจเพราคนบางคนจริงช็อกเลยนะมันหล่นตุ๊บอ่ะมันลักษณะหล่นตุ๊บลงไปเลยหล่นสูงซะด้วยแต่หลน่ลนหล่นหล่นจากเบื้องสูงเป็นอู้มีฐานะมีเกียรติเราจะเห็นว่าเข้าไปในคนหลีกหมดเลยนะฮะนี่นี่พอพอเสร็จเรื่องราวเข้าไปยังไม่ได้ ก็ไปยังไม่ได้นะฮะพวกพวกนักการพ่านโรงไม่เข้าแล้วมันมันไม่ใช่เรื่องน่นะฮนนะแต่ว่าการที่เขาทำใจได้เขาก็าไม่เดือดร้อนเพราะปัญหาความเปลีป่ยนแปลง เ, เป็นเป็นเป็นเป็นตัวอย่างในการดารงชีวิตของคนทั้งหลายว่าจริงจริงที่จริงแล้วชีวิตของเราทั้งหลายก็มีรัษณาอย่างนั้นแต่ปัญหาสำคัญว่าที่เรามีปัญหาคือเราไม่ได้เตรียม ที่มีปัญหาคือเราไม่ได้เตรียมลักษณะที่ทรงสอนให้เตรียมก็คือเตรียมเตรียมเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเรื่องการรับรากไว้ยอย่างที่เราสอนนี่นะทำไมเวลาเจอปัญหาตรงนี้เราตั้งหลักไม่ค่อยได้แม้พอประสบกับความตายก็ร้องห่มร้องไห้กันเป็นมหากรรมเลยเพราะเราไม่ได้มองว่าชีวิตมันมันต้องมีความแตกต่าเป็นธรรมดาประสบความแก่ก็เดือดร้อนเพราะความแก่ เดือดร้อนเพราความแก่ต้องที่จริงมันก็สร้างงานอาชีพนะสร้างงานอาชีพพวกหมอสัลยกรรมพลาสติกรวยก็เว็นแถวอะมันก็มันก็ดีไปอย่างนึงนะ้งอ่ะแต่ว่าเราก็ไปเพิ่มปัญหาไปเพิ่มภาระในการคัดค้านและต่อต้านต่อต้านความความไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอนของชีวิตตรงนี้ถ้าหากก็เป็นระดับความคิดใจอย่างน้อยค่อยดีหน่อย คือพูดจากันง่ายทำความเข้าใจกันง่ายมันชี้แจงกันง่ายแต่ถ้าเป็นระดับของความเห็นแลนี่ยากเป็นระดับความความเห็นท่านใหญ่ว่าเป็นเป็นพวกจิตชีทั้งหลายนะฮะเช่นที่เคยเล่าเรื่องจุลสัจจสูตรที่สัจจะนิโคนมาเฉียงกับพระพุทธเจ้าอันนั้นก็คือมองในแง่ของความเป็นตัวเป็นตนที่เที่ยงแท้ตัวตนก็คือตัวที่เที่ยงแท้เหมือนกัน ก็กลายเป็นลัทธิเป็นเป็นทิฏฐิในาศาสนาเชนาศาสนาเชนนั้นนิพานเขาก็คือเป็นการมีชีวิตอยู่นิรันมีชีวิตอยู่นิรันนะฮะก็ที่จริงก็คล้ายคลยคกับคล้ายๆกับาศาสนาพราหมณ์เอ่อไม่ใช่ไม่ใช่สูญหายไปเลยไม่ใช่สูญไปเลยแต่ว่าจะไปอยู่ในที่หนึ่ง นะซึ่งซึ่งก็เข้ามาในกระแสความคิดของคนไทยอยู่เยอะนะฮะที่เรียกว่าอาญาตานิพพานบ้างเรียกว่าแดนนิพพานบ้างเรียกว่าเมืองนิพพานบ้างนะฮะก็ แ, แสดงว่ามองเห็นเป็นของเชี่องแทเพราะวแนวของาศาสนาพวกนี้แนวที่มองเห็นเป็นของเชียองแฉเนี่ยฮะระว่ัจิตเชี่องกายไม่เที่ยงเนี่ยนะฮะจะมีแนวที่ทรมานร่างกาย มีการบางเป็นเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติในแนวที่ทรมาน์ร่างกายเพราะถือว่าจิตนั้นถูกขังอยู่ในกายจะทําให้จิตเป็นอิสระก็ต้องทรมานร่างกายมีข้อวัดปฏิบัติกลายเป็นลัทธิาศาสนาแทร่หลายกันในโลกนี้เอาก็จริงๆแล้วโลกนั้นถือว่าเทียงแท้นี่มากกว่าไม่เท่ยงแท้นะฮะเห็นไหมประชากรในโลกทั้งหลายนั้นจะถือลักษณะอย่างนั้นทีนี้ถ้าถือตรงนี้แล้วก็ตั้งจิตได้มันก็คมเหมือนกัน เราจะเห็นว่าระดับสังสารวัตรก็หมือนกันอย่างเมื่อสองปีที่แล้วท่านนะึกออกไหมพวกที่ไปแสวงหาบุญนีนเมฆกะแล้วอุโมงมันถล่มคนตายประมาณสามพันคนน่าตรนกนะฮะเราจะเห็นว่าไม่เป็นข่าวสำหรับคนอิสลามแล้วก็ถือเป็นเรื่องเลนะ็กนะกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียบอกว่าพระผู้เป็นเจ้ามารับคนเหล่านั้นไปอยู่ร่วมกับพระองค์คนดีใจอนะมันเป็นสุขที่ญาติพี่น้องได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า เรากลายเป็นคนใกล้ชิดกับผู้เป็นเจ้าต่อไปเราก็ไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้เป็นเจ้าด้วยเห็ น, นะฮะความคิดตรงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยเขามองเป็นความเชื่องแต่ถ้าระดับสังสารวัตรระดับสังสารวัตรก็ข้าใจคิดมันก็บันเทาความโศกระดับหนึ่งได้ระดับหนึ่งไม่ได้เหมือนกันก็ก็หมายความว่าถ้าไม่ปักใจจนเกินไปนะฮะไม่ปักใจอะไรจนเกินไปก็มีผลดีในส่วนที่ตัดปัญหาบางอย่างเราไปได้ คนเหล่านี้จึงไม่มีใครเศร้าโศกเสียดายแล้วก็ตอนนี้เราก็มีตายตั้งหลายคนเหมือนกันนะ น, นะจะเห็นว่าแต่อย่าลืมว่าเขามีความรู้สึกว่าพระผู้เป็นเจ้ามารับไปมารับไปอยู่ร่วมกับพระองค์ก็ช่วยให้ญาติพี่น้องข้างหลังก็บรรเทาความโศกไปแต่ว่าถ้าพอถึงระดับระดับหนึ่งก็มีปัญหานะระดับระดับเบื้องบนมีปัญหาอย่างอย่างที่บอกว่าแนวธรรมะปฏิบัติเนี่ยมันจะเหมือนกับการเดินทาง การเดินทางโดยรถโดยยานพาหนะต่างๆมันก็เดินไปเรื่อยมันก็เปลี่ยนรถไปเรื่อยมีจุดหมายปลายทางกว่าจะเปลี่ยนได้มันก็ใช้รถหลายหลายขบวนใช้เครื่องบินใช้ร ถ, ใ ช, รถใช้เรืออะไรต่ออะไรนี่กว่าจะเด็ดตราบใดที่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะตราบนั้นสิ่งเหล่านั้นก็มีประโยชน์สำหรับเราแต่ว่าในจุดใดจุดหนึ่งที่เราไปยึดติดเช่นตรงนี้ต้องข้ามฝั่งเสก่อนจึงจะ ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เราไม่ยอมข้ามฝั่งมันก็ไม่ถึงนะไม่ยอมข้ามฝั่งตรงนั้นเราก็ไม่ถึงหรือว่านั่งไปในเรือแล้วเกิดพอใจในเรือบรรยากาศในเรือดีไม่ยอมขึ้นจากฝั่งมันก็มันก็ไม่ถึงเหมือนกันท่านจึงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติไปโดยลําดับแต่เราต้องชิ้งไปโดยลําดับต้องทิ้งไปโดยลําดับก็แนวแนวยกจิตเราไปเรื่อยๆนะคล้ายๆกับการเรียนหนังสือเรียนหนังสือเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นชันไป กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางในขณะที่เราต้องอยู่ในชั้นนั้นเช่นว่ยชั้นมหนึ่งเราต้องอยู่ชั้นมหนึ่งก็ต้องเอาให้ดีตรงนั้นตรงนั้นมันมีประโยชน์สำหรับเราแต่พอสอบจบแล้วยังติดอยู่มหนึ่งมันก็ไม่ได้แล้วเก็ต้องทิ้งแล้วต้องทิ้งมหนึ่งไม่มีความอาลัยเยอะๆในมหนึ่ 1. ในขณะเดียวกันวิชาความรู้มันยังอยู่กับเราเราก็ใช้ประโยชน์ในตอนเรียนมสองหรือเรียนในโอกาสต่อๆไปได้นั้นก็แนวที่เรียกว่าเหมือนกระโดที่ส่งต่อคนไปเรื่อยๆ เป็นการอาศัยแล้วก็ต้องชิ้งจุดหนึ่งอาศัยแล้วก็ต้องชิ้งอาศัยแล้วก็ต้องชิ้งโดยไม่ไปไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นนั้นก็คือเราหาประโยชน์ได้จากไตรลักษณ์ทุกระดับทั้งระดับที่ปฏิบัติตัวในะทันการทันเวลาทันสมัยเราเรียกว่าทํำตัวให้สัมพันธ์กับการเวลาที่มาถึงข่าเวลาไหลามาแล้วก็ไหลไป ก็รีบเร่งใช้การใช้โอกาสในขณะนั้นให้เกิดประโยชน์อย่างที่โบราณท่านสอนเวลาและวารีไม่ได้มีจะคอยใครเรือเมลและรถไฟย่อมจะไปตามเวลาโอเอและอื่นอาด จ, จะไม่สมปรารถนาชวดแล้วจะโอกาสนิจเราช้าไปเราก็ทำให้มันทันกับเวลาถ้าไม่ทันกับเวลามันก็พลาดโอกาสเสียโอกาสต่างๆที่จะมาจึงข้าวทาให้การเวลาในแต่ละขณะ ก็ได้รับการใช้ไปให้เกิดประโยชน์ทุกกรณีในขณะเดียวกันเมื่อเราไปแตะอะไรป้าเราก็ไม่ตั้งความหวังอะไรมาเกิดไปเช่นสมมติเรียนหนังสือหรือทำงานหรืออะไรนะมันก็ต้องนึกว่ามันไม่เที่ยงหรอกมันไม่เที่ยงเช่นสมมติว่าเราทำงานต้องการป้าว่าค้าขายปีนี้ได้กำไรเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนั่นคือเป้าที่เราตั้งไว้ แอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มกับเป้าซึ่งที่จริงว่าเป็นความฝานันมันเป็นจินตนาการเฉยๆบนชีวิตมันมีเงื่อนไขมีตัวแปรมีปัจจัยต่างๆอีกยอแยะกว่าจะบรรลุเป้าเหลนะ่านั้นเพราะฉะนั้นอาจจะได้ตามเป้าก็ได้อาจจะได้ต่ํากว่าเป้าก็ได้อาจจะขาดทุนก็ได้หรืออาจจะได้เกินก็ได้มันก็อยู่ที่เงื่อนไขตัวแปรว่ามันมีอะไรเป็นตัวแปรตัวแปรมันมีอยู่ทุกวันน่ยนะฮะตัวแปรต่างๆมันมีอยู่ทุกวันทุกเวลาเพราะฉะนั้น เวลาเราเราไปตั้งความหวังไปเกี่ยวข้องอะไรเราเราก็แบ่งใจไว้สี่แทนที่จะแบ่งใจไว้ห้าสิบห้าสิบเราแบ่งใจไว้สี่อาจจะผิดหวังก็ได้อาจจะได้สักครึ่งสักกึ่งก็ได้อาจจะได้ตามที่หวังก็ได้อาจจะได้เกิดที่หวังก็ได้ทําให้ไม่สวดเซไม่หกลมมันไม่ใช่ช็อกไปเลยพอผิดหวังช็อกไปเลยพอได้พอได้เกินเป้าก็ดีดีใจจนวิตกวิดไปเลย ดี ใ, ใจเกินก็บ้าได้นะเสีย ใ, ใจเกินก็บ้าได้เห็นไหมว่าใจจะไม่ฟูเกินไปจะไม่แฟบเกินไปก็ตั้งหลักได้ไม่เป็นไรได้เกินเป้าก็ไม่แน่วันนี้ได้เกินเป้ า, นนปาต่อไปอาจจะไม่ได้ก็ได้นะจะทําให้ชีวิตเราดํารงอยู่ด้วยความไม่ประมาทไปเรื่อยๆเห็นไหมว่าจริงๆก็คือเรื่องชีวิตที่ทําให้เราไม่ไปเหล็งผลเลิศกับเรื่องทั้งหลายเพราะใจมันเตรียมเรื่องความไม่เชื่องเข้าไป ไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนนะเดีย๋ยวไปตั้งความหวังอะไรทีนี้ในขณะเดียวกันทำให้เรามีการระมัดระวังทำให้เกิดการระมัดระวังที่เรียกว่ารอบคอบรอบด้านกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้กลัวจะเป็นอย่างน้นโอกาสที่จะเผลอเลอหลงลืมพลัง้งพลาดมันก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าจิตใจมันตื่น มีการระมัดระวังมีความรอบคอบเป็นความรอบด้านมันก็กลายเป็นอาการอะไรอาการของสติสัมปชัญญะที่ทรงใช้กรม่ชาคริยานุโยคคืออยู่อย่างตื่นตัวตื่นตัวก็เหตุการณ์ทันการทันเหตุทันคนทันไปทุกเรื่องอย่างในเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยแล้วเนี่ยนะฮะลักษณะของการรู้เท่าทันเึ่งสิ่งทั้งหลายเนี่ย ยิ่งมีความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเรื่องข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆในปัจจุบันมันไม่ใช่ว่าพอหนังสือพิมพ์ว่าอย่างไงคือปเป็นประกาศสิทธิ์จากสวัสด์ต้องเชื่อลงไปอย่า ง, งนั้นทันทีมันไม่แน่เรากมืนไม่แน่อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้อาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ได้นะาะะนั้นก็รับฟังในฐานะที่เป็นข้อมูลข่าวสารไม่จะเกิดเป็นการฝักฝาย กลายเป็นยกจ้องคนนั้นตนําหนิคนนั้นโดยขาดการรอบคอบการพิจารณาเพราะ จ, masked, จริงๆอารมณ์คนมันไม่แน่จะพูดด้วยความรักก็ได้พูดด้วยความชังก็ได้พูดด้วยความหลงก็ได้นะนะพูดด้วยความกลัวก็ได้พูดด้วยความรู้ก็ได้ดเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่สิ่งทั้งหลายมันจึงกลายเฉพาะเป็นข้อมูลเท่านั้นแทนที่จะเป็นประกาศสิทธิ์แทนที่จะเป็นประกาศสิทธิที่เราจะต้องน้อมรับเหมือนเทวองค์การมันไม่ใช่มันเป็นข้อมูลเท่านั้นเอง คนลนั้นไม่ใช่เทวสิทธิ์อะไรคนลนั้นไ ม, ไม่ใช่ศาสดาอะไรเราก็รับฟังในฐานะเป็นข้อมูลไม่ตกเป็นเครื่องมือของคนทั้งหลายเห็นไหมแม้แต่ขับรถขับเรืออะไรแต่ไหนเนี่ยเราจะไปไหนมาไหนปัจจุบันเมื่อก่อนเราเคยไปเมื่อวานเนี่ยจะมาไปอัตเทพปิตยุที่ศูนย์เทคโนโลยีวิการศึกษ า, าว่าก็ไปเกือบชั่วโมง ดีเราเผื่อเวลาไว้อะนะถ้าไม่เผื่อเวลาเรยจะบางเนี้ยเบืยนี้ก็ที่ที่จริงเราจะไปไหนเราต้องเผื่อไว้อย่างน้อยในสามสิบนาทีเมื่อก่อนเราเคยไปเคยไปหนึ่งชั่วโมงต้องเผื่อไว้ประมาณถ้าชั่วโมงครึ่งท้าดีแล้วก็สองชั่วโมงอันนี้ก็คือก็คือลักษณะว่าไม่ประมาทไม่ประมาทมันไม่แน่หรอกนะวันหนึ่งเราเคยไปได้ล้วก็เอานิยายไม่เคยได้โดยกรุงเทพปัจจุบันเนี่ยบทปัญติดมันก็ติดสนุกไปเลยนี่ก็คือ ทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราเรามองสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการธรรมชาติที่มันมีเงื่อนไขมีตัวแปรมีเหตุมีปัจจัยมีองค์ประกอบต่างๆอีกมากมายแก่กองเราจะไปคาดหวังตั้งความหวังจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างโน้นอะไรแต่ละมันมั น, เ ป, น, เ, ปนเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งทั้งหลายจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน ชีวิตเราเองการงานภารกิจหน้าที่น้ำใจคนน้ำใจเราเองนะฮะแม้แต่น้ำใจเราเองมันก็ไม่เทียงแท้แน่นอนอะไรความเทียงแท้แน่นอนก็คือความตายแต่เราก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่จะช่วยเตือนใจย้ำให้เกิดความไม่ประมาทในการดำาริชีวิตนะแล้วก็พยายามประกอบภารกิจการงานต่างๆเหล่านั้นให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของอารมณ์ลักษณะของการงาน แต่เงื่อนไขปัจจัยต่างๆเราก็ฉกฉวยประโยชน์จากความไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มากเหมือนกันวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูดในธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ